นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะตอนรถเมยสายวัตตะโดยชนละนิ น, บ, นจจบทนำนี่เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่า ถ้ามีรถเมล์สักคันสามารถเดินทางท่องไปทั่ววัตะสงสารผู้โดยสารบนนั้นจะมีโอกาสพบสิ่งใดบ้าง 1. ข้าพเจ้านั่งอยู่บนรถเมล์คันหนึ่งนานเท่าใดมิอาจรู้เนื่องจากนั่งติดกับประตูจึงเห็นคนขึ้นลงมากมาย 2. ภายในรถมีคนไม่มากนัก แต่ละคนมีอิรยาบทต่างกันบางนางเฉยบ้างคุยกับคนข้างเคียงบางอ่านหนังสือบ้างมองซอกแซกนอกหน้าต่างที่มีแต่ความมืด 3. นอกจากผู้โดยสารเช่นข้าพเจ้ากับคนอื่นแล้วยังมีกระเป๋ารถคนหนึ่งซุบตัวเงียบเงียบหลังเก้าอี้คนขับรถคันนี้ไม่ได้วิ่งอยู่บนถนน แต่เป็นหนทางใดยากจะทราบมันเบานิ่มราวกับล่องลอยล้อไม่ติดพื้น 4. ข้าพเจ้ารู้สึกร้อนเมื่อเข้าถึงเขตหนึ่งข้างทางมีแสงสีแดงฉายโชนวูบวาบคล้ายถูกเลลวไฟลามเลียหรถจอดสนิทกระเป๋ารถเรียกหลายคนลงไปบางคนยอมลงโดยดี บางคนขัดขืนข้าพเจ้าได้ยินเสียงคร่ำครวญจากด้านนอกพอหันออกไปมองนอกหน้าต่างกลับไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเปลวไฟสีแดงทุกคนที่ลงจากรถหายวับ 6. กกระเป๋ารถมองนิ่งที่ข้าพเจ้าจนคิดว่าผู้ที่ต้องลงรายต่อไปคือตนเองแต่ก็ต้องโล่งอกเมื่อรถแล่นออกจากบริเวณนี้แล้ว เเสียงกรำครวนหอยหววลอยมามันสั่นกระสาทข้าพเจ้าเหงื่อแห่งความกลัวโชคร่างเสียดายที่เจ้าไม่ได้เห็นทันที่คนบาปหล่านนั้นได้รับกระเป๋ารถพูดกับข้าพเจ้ามันผู้ไม่เคยเชื่อในผลของกรรมมันผู้มีจิตใจพอกหนาด้วยกิเลสอวิชชามันผู้ยินดีเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตนสุขสบายมัน ผู้ยินดีทําทุกอย่างเพื่อสนองกิเลสฝ่ายต่าของตนมันผู้ไม่รู้จักคุณงามความดีบัดนี้กดแห่งกรรมส่งผลแล้ว 8. รถเมแล่นต่อไปในความมืดมันสํานึกเมื่อสายเหตุใดไม่คิดก่อนกระทําเจ้าจงฟังเสียงร้องคร่ำครวญนี้จงฟังและฟังไว้ในใจเจ้า ยามไดกิเลสรั้งพาทำรรชั่วเจ้าจงระลึกถึงเสียงเหล่านี้เสียงของผู้ที่กำลังจดใช้กรรมชั่วของตน 9. กระเป๋ารถเมพูดกับข้าพเจ้าเช่นนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจนักข้าพเจ้าก็ไม่คิดถาม 10. ข้าพเจ้ามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง แสงสีแดงเริ่มเห็นเป็นจุดเล็กๆเร็วร้อนจางลงเสียงคล่ำครวญกลับยังกล้องในหู 11. ภายในรถมีผู้โดยสารมากขึ้นไม่ทราบว่าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดพวกเขามีลักษณะต่างกันบางคนนั่งเก้าอี้เรียบร้อยบางคนนอนบนพื้นบางคนยืนโหนราวสีหน้าแต่ละคนล้วนเศร้าหมอง 12. รถแล่นต่ำลงข้าพเจ้ามองออกนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีหดหูบางส่วนเป็นเทาเข้มทะมึนน่ากลัวบางส่วนแดงสดเราถูกลิ่มเลือดมาป้ายแผ่นดินแตกระแหงต้นไม้ยืนตายซากกลิ่นเหม็นชวนคลื่นเหียนโชยมา 13. รถจอดผู้โดยสารหลายคนโดนสั่งให้ลง ข้าพเจ้าเบิกตาโพลงทันทีที่เท้าพวกเขาสัมผัสพื้นทุกคนต่างแปลสภาพจากร่างกายปกติกลายร่างวิกลวิการบ้างสูงลิบลิวบ้างเตี้ยติดดินใบหน้าอัปลักษ์ยากบรรยายข้าพเจ้าเกาะขอบหน้าต่างแน่นรู้สึกคลื่นเหียนและกลัว 14. กระเป๋ารถมองข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าเขาบอกข้าพเจ้าถอนใจสถานที่เนี่ยเป็นเพียงที่ชดใช้เศษกรรมและเป็นที่อยู่ของคนบาปที่ยังไม่ต้องไปถึงนิระภูมิ 15. อบายภูมสี่เป็นสถานที่รองรับสำหรับผู้กระทากรรมชั่วสัตว์โลกผู้ใดยังเพลิดเพลินมัวเมาในอกุศล ผู้นั้นยอมได้มาอย่างที่นี้อบายเป็นทางลาดต่ำเหล่าสพัพพสัตว์จึงมักไหลเวียนมาไม่ขาดแคลน 16. มาสิสัตว์โลกทั้งหลายเร่งกระทำกรรมชั่วเข้าเร่งเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกแย่งชิงลักขโมยพร่ของรักพูดจาปลินปล่อนกลับกลอกเสพสิ่งพรากสติ เพียงเท่านี้ประตูอบายย่อมเปิดรับอย่างไม่เหนื่อยแรงรับมาสู่ทันที่ไม่เคยมีในโลกมนุษย์และในที่ใดๆมันจะเป็นเวลาเนิ่นนานจนเจ้าไม่กล้านับเป็นปีคืนเวลาแห่งความทุกข์ทรมานเนิ่นนานเสมอ 17. ถ้าเจ้ายหยันว่าผลแห่งการกระทำโดยเจตนานั้นไม่มีทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไร้สาระไม่ทิ้งตรงแน่นอนเช่นนั้นเจ้าก็เร่งประกอบกรรมชั่วเข้าสิแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าพลังของกรรมมีอนุภาพเพียงใด 18. ข้าพเจ้าขนลุกสู้กระกายตายกระเป๋ารถเมยคนนั้นว่าวโรดราวกับบรรจุด้วยเพลิงแห่งนิรยับภูมิ 19. บนรถเมสายวัตตะนี้เคยนำพาบุคคลผู้ดีแสนดีและเลวแสนเลวตลอดเวลาที่ข้าอยู่บนรถคันนี้ข้าเคยซาบซึ้งอิ่มเอมกับความดีของผู้มีปัญญาขณะเดียวกันข้าก็เคยเกลียดชังความชั่วช้าของเหล่าสรรพสัตผู้โง่เขลามันไม่เคยเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วแม้อย่างก้าวสู่นิรยาภูมิเพื่อรับผลของกรรมชั่วนั้น ชเยีาน่เสิ 20. เราใกล้จะออกจากอบายภูมิหรือยังข้าพเจ้าถามเจ้าคงชังมันเต็มทนละสิข้าเองก็ชัง แต่ทำอย่างไรได้เล่าราบได้ที่สับพสัตยังเป็นาธาตุกิเลสยอมแพ้อำนาจความชั่วกระทาตนโดยขาดฮิริโอตัปปะราบนั้นอบายภูมิยังไม่สิน้น21เอาเถอะตอนนี้รถแล่นผ่านแดนหน้าสะรึงมาแล้วเจ้าคงสบายใจชั่วคราวจุดหมายต่อไปคือมนุษยภูมิ22 ข้าพเจ้าออกแขนพาดขอบหน้าต่างในตามองความมืดไกลลิบลิมีแสงสว่างเรืองเป็นจุดจุดอากาศเย็นสบายขึ้นข้าพเจ้าเสยผมและความทรงจำก็ปรากฏขึ้นมาง่ายๆ 23. รถคันนี้ผ่านมนุษยภูมิบ่อยครั้งโดยมากจะรับส่งผู้โดยสารที่นี่เป็นหลักนานครั้งถึงรวบรวมผู้โดยสารไปส่งนิรยภูมิสักที ทั้งคนขับและกระเป๋ารถไม่ใคร่ชอบลงไปที่นั่นนักข้าพเจ้านึกถึงอบายภูมิที่จริงก็เคยไปพร้อมกับรถหลายครั้งแล้วแต่พอขึ้นมนุษยภูมิไม่นานก็ลืมความน่ากลัวในอบายภูมิเหตุนี้กระมังทำให้รถเมคันนี้ไม่เคยว่างเว้นต้องแวะเวียนไปส่งผู้โดยสารที่อบายภูมิเสมอ 24. บบนรถว่าง เหลือข้าพเจ้ากระเป๋ารถและคนขับทั้งหมดเงียบงัน25ข้าพเจ้าเบื่อแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรความทรงจาทำให้เกิดระลึกย้อนได้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่ามาอยู่บนรถคันนี้นานเพียงใดและตอบไม่ได้ก่อนมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ไหนมาก่อน26ห เมื่อรู้สึกตัวตอนแรกก็มานั่งที่นี่แล้วคำถามแรกจากกระเป๋ารถคือจะไปลงที่ไหนไม่ทราบข้าพเจ้าตอบกระเป๋ารถถอนใจพวกเดินทางด้วยความไม่รู้อีกหลาย27จจากวันนั้นข้าพเจ้าก็มานั่งอยู่ตรงนี้ดูผู้คนขึ้นลงโดยตอบตอนเองไม่ได้เมื่อใดจะถึงวาระของตน 28. ถึงมนุษยโลกข้าพเจ้าหดหูใจรถจอดท่ามกลางการสู้รบเปลวไฟและควันปืนดูไม่ต่างจากอบายภูมิกระเป๋ารถเกาะประตูมองดูสนามรบอย่างเศร้าเขาชี้มืออย่างชายคนหนึ่งที่กำลังถือปืนเข้าประหัตประหารเพื่อนรวมโลกเขาคืออดีตน้องชายข้าน่าสลดใจนักเมื่อก่อนเขาร่ำร้องขอความเป็นมนุษย์ พอกุศลเปี่ยมพอส่งเป็นคนได้เขากลับถูกพอกหนาด้วยความโง่เง่างม ง, า, งายกระหายเข็นฆ่าผู้คนที่มีความคิดขัดแย้งกับเขาเมื่อเขาดับชีพลงต้องใช้เวลาอีกนานเพียงไรหนาะถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครา 29. รถแล่นจากไปทิ้งควันปืนและแสงไฟจากลูกระเบิดไว้เบื้องหลัง กระเป๋ารถหันไปยิ้มเศร้าๆกับคนขับขอบคุณที่ให้โอกาสข้าพบกับเขาแต่เขาโอกาสให้ข้าได้พบอีกสามคนเถอะ 30. บุคคลแรกที่เขาต้องการพบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งใหญ่โตแต่ขอรับชั่นเบียดเบียนประชาชนเห็นแกความสุขส่วนตนกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวและพักพวก เขาหารู้ไม่มหาทรัพย์สินที่เขามีอยู่ที่เพียรหามาจากความลำบากของมหาชนเช่นนี้มันไม่สามารถช่วยให้เขาอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เลย31อแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ด้วยมหากุศลเก่าส่งเสริมแต่อีกไม่นานข้าก็ต้องมารับเขาลงไปยังนิระยะภูมินี่คืออดีตบิดาข้ากระเป๋ารถพูดเสียงแผ่ว 32บุคคลต่อไปเป็นครูในโรงเรียนกลางเขาเธอไม่ใช่หญิงสาวสะสวยออกจากขี้เรด้วยซ้ำพี่สาวข้าแม้เธอไม่ได้มีใบหน้างดงามไม่มีชายใดเหลียวแลสนใจแต่จิตใจเธองดงามมีน้ำใจกว่าหญิงงามใดๆเธอรักสันโดษให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยความรักเมตตาหวังดีต่อพวกเขาจากใจจริงในสายตาเด็กเหล่านี้ เธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก33ใบหน้าเขาช่มชื่นขึ้นรอยยิ้มค่อยปรากฏรถเมลั่นต่อไปแล่นลอยบนท้องฟ้าผ่านผืนนภาครามใสปุยเมฆขาวลอยฟ้องใกล้จนคล้ายสัมผัสถึงบนรถมีกลิ่นหอมตลบอบอวนกลิ่นแห่งคุณงามความดี 34รถแล่นลงมาจอดอย่างสถานที่แห่งหนึ่งใต้ต้นโพใหญ่ข้าพเจ้าเห็นหญิงวัยกลางคนสีสะโล้นสวมอภรรขาวกำลังกวาดใบไม้กระเป๋ารถเกือบถลาลงจากรถถ้าไม่ได้ยินเสียงทวงติง่งเจ้ายังไม่มีสิทธิ์ลงเสียงจากคนขับรถกระเป๋ารถสุดนั่งบนบันไดขั้นสุดท้ายน้ำตาไหลก้มลงกราบ ข้าพเจ้าสะท้อนใจได้ยินเสียงแวแววาววานสายลมจงพาเอาความรักความเป็นห่วงของข้าส่งไปให้แม่ด้วยเถิด 36. หหญิงกลางคนชุดขาวหยุดชะ ง, งักมองรอบตัวไม่เห็นใครรถเมย์อยู่ห่างแค่ชั่วมือเอื้อมแต่ราวกับเป็นคนละโลกเสียงใครนะ่ะเธอพึมพำสงสัย สักครู่ก็กวาดใบไม้ต่อไป37อดีตชาติมันจบไปแล้วจะห่วงหาวอววรอกททำไมบัดนี้เจ้าอยู่ในอีกภพอีกภาวะหนึ่งจงรู้ตัวไว้เสียคนขับรถเตือนข้าไม่น่าจดจำาพเก่าได้เลยกระเป๋ารถพึมพำจำได้หรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ต้องรู้อยู่กับปัจจุบัน เราจากกันไปเธอได้จากไปแล้วอกกกาัดว 38. รถเคลื่อนที่แต่ต้องหยุดชะงักชายจีวรสีเหลืองแวบผ่านภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หญิงกลางคนชุดขาวเห็นรีบสุดตัวคุกเข่าประนมมือหลวงพ่อมีอะไรหรือตะกี้ได้ยินเสียงแปลกๆเจ้าคะ่ะอคันตุกะไม่เยี่ยมนะอย่ากังวลเลย 39. ร่างในผ้ากาสาวพัก มาหยุดใกล้ประตูยิ้มให้ข้าพเจ้าอะไรไม่ทราบทำให้ข้าพเจ้าสุดตัวพับเพียบราบประนมมือเช่นเดียวกับกระเป๋ารถ 40. ท่านยิ้มเมตตาวานไปรับคนคนหนึ่งทีนะถึงเวลาแล้วเขาจะขึ้นข้างบนลืมฝีปากไม่ขยับแต่กระแสเสียงดังกังวานเสียงจากภาษาใจขอรับกระเป๋ารถรับคานอบน้อม 41. อรถจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญภาพในบ้านปรากฏต่อหน้าชายผู้หนึ่งนอนอยู่บนเตียงบุตรหลานรายล้อมรอบด้านแต่ละคนใบหน้าชุ่มน้ำตาชายผู้นั้นยิ้มละไมปลอบคนรอบข้าง 42. ลูกเอ้ยอย่าร้องไห้เลยมองดูรอบตัวสิมีใครบ้างไม่ตาย ความตายเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับเกิดแล้วต้องตายเรื่องธรรมดายามเกิดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันยามตายก็แค่ธาตุทั้งสี่ไม่อาจประคองกันต่างแยกย้ายคืนสู่ธาตุเดิมของมันการตายของสังขารร่างกายมีเท่านี้เองจะเศร้าโศกเสียใจไปทำไม กับแค่ธาตุหยับหยาบจะกลับคืนสู่สภาพเดิม43ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์มอให้เห็นตามความเป็นจริงเธอลูกมีอะไรเป็นเราของเราบ้าง44ความจริงกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแต่ธาตุหยับหยาบสี่อย่างมาประชุมกันตามเหตุและปัจจัย กับแค่อุปาทานหลอกให้ยึดถือเท่านั้นมองให้เห็นความจริงตามนั้นใจจะคลายเอง45ใจรู้จริงรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเท่านี้ก็จะไม่มีใครเปลืองน้ำตาอีก46ภาพหายวับชายผู้นั้นมาเยือนอยู่หน้าประตูรถมารับผมใช่ไหม ขอรับคนขับรถตอบแทนกระเป๋าขอบคุณมากผมอยากมาสาสางภาระบางอย่างคงไม่เสียเวลาพวกคุณในการรับผู้โดยสารคนอื่นไม่หรอกครับผู้ที่จะขึ้นรถคันนี้มักมีกรรมเกี่ยวพันกันกระผมยินดีด้วยซ้ำที่ท่านให้เกียรติมาขึ้นรถของเราคงรู้แล้วว่าผมจะต้องไปที่ใดขอรับเทวโลกชั้นดาวดึงเขายิมรับ ใบหน้าอิ่มเ อ, อิบยิ่งนัก47เขานั่งข้างข้าพเจ้าเริ่มต้นสนทนาพูดคุยคุณขึ้นรถมานานหรือยังเขาถามนานพอสมควรข้าพเจ้าตอบคุณคงผ่านสถานที่ต่างๆมากมายข้าพเจ้าพบเห็นเพียงอบายภูมิและมนุษยภูมินอกจากนั้นละ่ะเช่นเทวโลก 49. เ้าข้าพเจ้าไม่เคยไปหรือถ้าไปก็อาจจำไม่ได้ฉะนั้นคุณควรรู้ว่าตัดสูงศารมีสถานที่มากมายอบายภูมิสี่มีโลกนรกโลกเปรตโลกอสุรากายโลกเดรัจฉานสุกติภู ม, มิโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปปรพรมมั่งหมายเพียงนี้ใช่หรอใช่ ถึงจะมีมากมายแตกต่างสภาพความเป็นอยู่มันก็ต่างกันแค่สมมุติเท่านั้นในวัฏฏะสงสารมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือต้องอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงเพราะมันแปรเปลี่ยนเสมอทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์จนอาจินไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อาจสั่งการบังคับได้อย่างใจ ข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยความไม่เข้าใจอึดอัดในหัวมีความแน่นทึบเหมือนจะเห็นแสงสว่างแต่หาทางออกไม่เจอ 50. เขายิ้มละไมเมตตาสักวันคุณจะเข้าใจลองมองดูแต่ละสถานที่ที่คุณผ่านมาสิในนิระยะับภูมิก็ยังมีสรรพสัตว์พ้นออกมาขึ้นรถเพื่อไปสู่ภพภูมิอื่นในมนุษยภูมิ ก็ยังมีผู้คนขึ้นสู่เทวโลกได้และเมื่อคุณขึ้นไปถึงเทวโลกคุณจะเห็นว่าบนนั้นก็ยังมีอดีตชาวฟ้ามาขึ้นรถคันนี้เพื่อลงสู่มนุษยโลกหรือต่ำกว่านั้นผมพยายามชี้ให้คุณเห็นว่าในวัฏะสงสารนี้ล้วนไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนจนเป็นปกติไม่ว่าที่ใดล้วนมีแต่ทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยแตกต่างกันห้อด ข้าพเจ้านิ่งฟังคล้ายมีแสงสว่างรางรงปรากฏในหัวม่านทึบๆจางลงเขายิ้มราวกับเห็นภายในจิตใจข้าพเจ้า52สรถจอดข้าพเจ้าตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นความงดงามของสถานที่ผู้คนช่างเกินคำบรรยายกลิ่นหอมรวยรินจุดจิตวิญญาณให้ลุ่มหลง ข้าพเจ้าอยากอยู่ที่นี่53าเอย่าพึ่งลุ่มหลงในสิ่งที่คุณเห็นเขาเตือนสติข้าพเจ้าหันไปมองเขาเขายิ้มให้ผมคงต้องลงก่อนทั้งหมดที่พูดกับคุณก็เพื่อจุดประกายปัญญาจากนี้ไปอยู่ที่คุณจะเห็นความจริงแค่ไหนเขาลงจากรถข้าพเจ้าเห็น ความอาวอรในใจ 54. รถยังไม่เคลื่อนที่กำลังรอผู้โดยสารน่าเสียดายที่เรามีโอกาสมาที่นี่ไม่บ่อยนักคนขับรถพูดแต่ขึ้นมาคราวใดก็ชุ่มชื่นใจเมื่อ น, นั้นกระเป๋ารถตอบห5บหผู้โดยสารมาแล้วเป็นหนึ่งชายสองหญิงทั้งสา ม, มีใบหน้างดงาม แต่แฝงความเศร้าหมองกลิ่นหอมรวยรินเริ่มจางเมื่อทั้งสามมาถึง 56. น้ำตาหญิงสาวไหลรินไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเมื่อถึงเวลาหมดบุญใครเล่าจะช่วยได้ในเมื่อเราต่างลงระเริงในความสุขจนลืมเลือนว่ามันไม่คงทนฉันควรทำยังไงหญิงสาวอีกคนถาม ไร้คำตอบ57ทั้งหมดนั่งตอนกลางรถไม่สนใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าเหลียวมองตามเนี่ยเหรอความไม่แน่นอนในเทวโลกข้าพเจ้ายังอยากอยู่ที่นี่อีกหรือไม่ไร้คำตอบเช่นกัน58รถแล่นช้าๆเราก็ับไม่ต้องการผละจาก ข้าพเจ้าเหลยวกลับดูด้านหลังเห็นสถานที่นั้นเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดเห็นเพียงหมอกขาวพร่างกลาาปิดบังจนมิด59ทั้งสามคุยกันเบาๆเราเจออยู่ที่ไหนกันนะหญิงสาวเอ่ยกรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดชายหนุ่มบอกฉันกลัวเลิศเกินวันนี้มีแต่ความสุข เบืงล่างมีแต่ความทุกข์หญิงสาวอีกคนกล่าวสุขจริงหรือไม่ฉันยังสงสัยถ้าเป็นสุขอย่างแท้จริงแล้วทำไมต้องมีสูญเสียพลัดพรากหมดสุขความสุขที่แท้จริงไม่ควรเสื่อมสลายแปลเปลี่ยน 60. ข้าพเจ้าฟังคำพูดเหล่านั้นอย่างไตรตรองนึกทบทวนคำสอนของชายที่เพิ่งลงจากรถแสงแห่งปัญญาฉายมาเรือง ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแท้ของวัตถสงสารชัดเจนกว่าเดิมและเริ่มรู้สึกเบื่อในสิ้นไยเธอคิดที่วิตต้องอยูอย่าเไว้สียนไทยคนใจเธอต้องทางเกินไปโดยรู้ไม่เห็นให้ด้านสำหรังที่ไทยกว่า 61. บนรถว่างเปล่าอีกครั้งบุคคลทั้งสามลงจากรถแล้วหญิงสาวคนแรกถูกส่งในที่กันดารแร้นแขนเธอไม่อยากลงแต่จะทำอย่างไรได้กรรมกําหนดไว้แล้วหญิงสาวคนที่สองถูกส่งยังบ้านที่ร่ำรวยแต่เธอไม่อาจมีใบหน้างดงามดังเก่ารูปสมบัติก็เปลี่ยนแปลงตามกรรม ชายหนุ่มคนสุดท้ายถูกส่งไปยังครอบครัวฐานะปานกลางไม่รวยไม่จนแต่ข้าพเจ้าเห็นแสงแห่งปัญญาฉาบชายบ้านหลังนี้วุรุดผู้นี้มีโอกาสกลับไปเทวโลกได้อีกคนขับรถทำนาย62ระยะนี้รถรับผู้โดยสารอีกมากจากหลายสถานที่ข้าพเจ้าไม่ใคร่สนใจใครๆอย่างที่เคยเป็น สมองกำลังตกอยู่ในห่วงความคิดทบทวนถึงสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาคิดถึงผู้โดยสารที่ขึ้นลงรถคันนี้คิดถึงคำพูดของผู้ที่มีพระคุณทางปัญญาคิดถึงผู้ที่ต้องลงมาจากเทวโลกทบทวนไปมาสุดท้ายย้อนกลับมาดูตนเองเราเกิดตายกันมากี่ชาติแล้วเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อวัตถะสงสารอย่างหนักเบื่อการเวียนว่ายตายเกิด เบื่อสภาพแปรผันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและแล้วคำถามหนึ่งพุดขึ้นมาในสมองนี่เราจะหลุดออกจากวัฏสงสารได้อย่างไร63เสียงดังคืนรถหยุดชะงักเรามีมือมหายักษ์มาหยุดไว้คนขับกระเป๋ารถต่างแปลกใจผู้โดยสารมองหน้ากันอย่างงงงงรถแล่นโดยอิสระ คนขับไม่อาจบังคับควบคุมมันพุ่งตรงไปเบื้องหน้าฝ่าสายลมปุยเมฆขุนเขาไม้เขียวและจอดนิ่งตรงลานกว้างแห่งหนึ่ง64ข้าพเจ้าลุกขึ้นลงไปยืนบนบันไดขั้นสุดท้ายเบื้องหน้าเป็นรูปปั้นใหญ่งดงามชวนศรัทธายิ่งรูปปั้นมหาบุรุษผู้คลองภ้ากาสวพัด พระองค์อยู่ในท่าเยื้องย่างนุ่มนวลอ่อนโยนดูคล้ายชายจีวรจะปลิวสะบัดในตาทอดมองต่ำอย่างปราณีบริเวณรอบเป็นลานกว้างมีเหล่าสาธุชนมาเคารพ บ, บูชากราบไหว้ด้วยใจศรัทธาพวกเขามิได้เคารพนบไหว้เพียงแค่ความงดงามหน้าเลื่มใสแต่ศรัทธาในธรรมที่จะพาพวกเขาพ้นทุกได้ที่นี่คือแดนมนุษย์ ยุคที่คําสอนแห่งมหาบุรุษพระองค์นั้นยังคงอยู่ข้าพเจ้าตื้นตันใจสุดประมาณกระแสะอิ่มเอ่อล้นเต็มหัวอกค่อยๆก้าวลงจากรถเหยียบแตะพื้นก้มลงกราบด้วยความเคารพศรัทธาสูงสุดข้าพเจ้ารู้แล้วคําถามที่เคยคิดค้นสงสัยมหาบุรุษพระองค์นี้สามารถกระทานคาตอบให้ได้คาตอบที่จะบอกว่า ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากวัตสงสารทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องเกิดอีก65ข้าพเจ้าหลับตาน้ำตารินไหลด้วยความปีติข้าพเจ้าเคยคิดว่าเมื่อหลับตาแล้วจะพบกับความมืดพิถนัดเพราะหากในตาหลับแต่ดวงใจตื่นจะพบความสว่างจากหัวใจ66 ก่อนข้าพเจ้าจะเคลื่อนไปสู่พบใหม่พบชาติแห่งมนุษย์ในยุคที่จะได้พบพระพุทธศาสนาในมโนทวารข้าพเจ้าได้ยินเสียงระกังกังวานไกลแววเสียงสวดอันคุ้นหูพุทธทังสรนังคชามิธรรมังสารนังคชามิสังขังสรนังคชามินอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ที่พึ่องอื่นไม่มี และสู้อดทนม่นานเรื่องรจะผ่านไปเธอจะทำดี oh oh oh แค่เป็นคน